วิสัยของเปรตเป็นอย่างนี้ส่งฝึกโดยวิธีฝึกที่เป็นทั้งอย่างละเอียดทั้งอย่างหยาบนั้นก็คือทรงฝึกอวิธีทรงแสดงทั้งสองนั้นรวมกันคือทั้งฝ่ายสุจริตทั้งฝ่ายทุจริต พร้อมทั้งพลในเกษีได้กราบทูลถามต่อไปว่าถ้าทรงฝึกไม่ได้จะทรงทำอย่างไรพระองค์ก็ตรัสตอบว่าก็ทรงฆ่าเสียในเกสีจึงกราบทูลว่า ปาณาติบาตนั้นไม่ควรแก่พระองค์ไม่ใช่หรือพระพุทธองค์ก็ทรงรับว่าจริงปาตาติบาตนั้นไม่ควรแก่พระองค์แต่ว่าวิธีค่าของพระองค์นั้นก็คือว่าพระองค์ไม่ทรงสำคัญบุคคลนั้นว่าจะพึงทรงกล่าว จะพึงทรงอนุสาสตร์พร่ำสอนและสภมมจารีทั้งหลายก็ไม่สำคัญบุคคลนั้นว่าเป็นภูที่จะพึงว่า ก, กล่าวจะเป็นภูที่พึงอนุสาสตร์สั่งสอนนี้เป็นวิธีฆ่าอย่างแรงในอริยะวินัยนี้ดังนี้ นี้เป็นวิธีฝึกที่ได้ตรัสสอนไว้ได้ตรัสแสดงไว้และยังได้ตรัสแสดงต่อไปว่าถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลที่เป็นเวรเนยะคือที่พึงแนะนำได้หรือเป็น ปุริสธรร ม, มะคือว่าคนฝึกได้แต่ก็ยังมีต่างกันเป็นสี่จำพวกเปรียบเหมือนอย่างมะอาชาในคือมะที่ฉลาดฝึกได้ ซึ่งเรียกว่าเป็นมากที่ดีใช้คำมาพัทธะแปลว่าเจริญหรือแปลว่าดีก็มีสี่จำพวกจำพวกที่หนึ่งนั้นพอได้เห็นเงาของประตับของในสาถีผู้ฝึก รู้สำนึกถึงความรู้สำนึกขึ้นได้ทันทีว่านายสารถีฝึกผู้นี้จกให้เรากระทำการอะไรหนอ เราจักกระทาตอบแกนายสารถีปูฝึกนี้อย่างไรหนามาอาชาในคือมาที่ฉลาดที่ดีจำพวกที่สอง เมื่อเห็นเงาของปะตักก็ยังเฉยต่อเมื่อปะตักนั้นได้มาทิ่มถูกเข้าที่ขนจึงได้เกิดความสำนักขึ้นดังกล่าว มาอาชาในามาฉลาดที่ดียงพวกที่สามได้เห็นเงาของปะตักก็ยังเฉยถูกปะตักเข้าที่ขนก็ยังเฉยต่อเมื่อปะตักนั้นแทกขนเข้าไปถึงหนังจึงได้เกิดความสำนึกขึ้น ดังกล่าวมาอาชาในมาฉลาดที่ดีจำพวกที่สีนั้นเห็นเงาของประตักก็เฉยประตักทิ่มเขาที่ขนก็ยังเฉยประตักแทรกเข้าไปถึงหนังก็ยังเฉยต่อเมื่อประตักแทรกเนื้อเข้าไปถึงกระดูกจึงรู้สึกขึ้น รับการฝึกดังกล่าวนั้นแม่บุุษอาชาในคือบุุษภูชลาดที่ดีก็มีสีจําพวกเหมือนกันจะาพวกทีหนึ่งนั้นได้ยินว่าได้มีชายหรือหญิง ในบูมบ้านโ น, น้นถึงความทุกข์ทำกาลกิริยาคือตายก็สังเวชได้สังเวชคือความสำนึก และเมื่อได้สังเวกคือความสำนึกก็ตั้งความเพียรโดยแยบคายเมื่อตั้งความเพียรปฏิบัติโดยแยบคายก็กระทำให้แจ้งปรมาสัจคือสัจจะอย่างยิ่งด้วยกาย คือด้วยนามากายยมเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาก็เทียบได้กับมาอาชาในมาฉลาที่ดีจำพวกทีหนึ่งพอได้เห็นเงาประตักก็เกิดความสำนึกรับการฝึกทันที จำพวกที่สองบุษอาชาในคือบุคคลที่ฉลาดที่ดีเมื่อได้ยินได้ฟังว่าได้มีชายหรือหญิงถึงความทุกข์ทำการละคือตายในบ้านโนน โดยยังเฉยต่อเมื่อได้เห็นชายหรือหญิงถึงความทุกข์ทากาละตายด้วยตาจึงสังเวทถึงความสังเวทคือสำนึกรู้สำนึกรู้แล้วก็ตั้งความเพียรโดยแยบคาย สั้งความเพียรโดยแยบคายแล้วก็ทำให้แจ้งสัจจะอย่างยิ่งด้วยนามกายเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาก็เทียบได้กับม้าอาช า, นาันมาฉลาดที่ดีจำพวกที่สอง เอาปะตักก็ยังเฉยต่อเมื่อปะตั ก, กมาทิ่มเขาทีขนจึงได้ความสำนึกรู้รับการฝึกบุรุษอาชาในบุรุษภูชลาดที่ดีจำพวกที่สามนั้นได้ฟังและได้เห็นทายหญิงที่ตาย ก็ยังเฉยต่อเมื่อได้มีญาติสาโลหิตมิตรสหายถึงความทุกข์ทากาละกิริยาคือตายจึงสังเวทถึงความสังเวทสำนึกรู้ สังเวทแล้วก็ตั้งความเพียรโดยแยบคายตั้งความเพียรแล้วก็ทำให้แจ้งสัจจะอย่างยิ่งด้วยนมามกายเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาบุรุษอาชาในคือบุรุษภูชลาดที่ดีจำพวกที่สีนั้น ได้ยินได้เห็นชายหรือหญิงถึงความทุกข์ทำกาละคือตายหรือได้มีญาติสาโลหิตมิตรสหายตายก็ยังเฉยต่อเมื่อตอนเองเกิดทุกข์ขึ้น ได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าจนถึงให้ตายได้จึงได้ความสังเวชจะลึกรู้สำนึกรู้และเมื่อสังเวชก็ตั้งความเพียรโดยแยบคายตั้งความเพียรแล้ว <c oughs> ก็กระทำให้แจง้ง สัจจะอย่างยิ่งด้วยนามกายเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาได้ดังนี้ก็เป็นอันว่าแม้ที่เรียกว่าเป็นบุรุษอาชาในคือคนฉลาดที่ดีก็คือที่เป็นบุริสธรรมะ ที่เป็นเวรเนยะดังกล่าวแล้วก็ยังแตกต่างกันไปสี่จำพวกดังนี้ก็เหมือนอย่างที่เป็นมาอาชาในคือมาฉลาดที่ดีก็มีสี่จำพวกเช่นเดียวกันอย่างที่ดีอย่างยิ่งนั้นพอเห็นเงาประตับก็รับปรึกแล้ว อย่างสุดท้ายคือที่สี่นั้นต้องประตักทิมก็ไปถึงกระดูกจึงรับฝึกบุุษแม่ที่เป็นบุตรอาชาในคนฉลาดที่ดีก็เหมือนกันที่เป็นอย่างไวแม่ได้ยินว่าได้มีชายหญิงตายในบ้านโน้น ก็ได้สังเวชก็ตั้งความเพียรก็ทำให้แจ้งประมะสัจจะสัจจะอย่างยิ่งด้วยนามกายเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาได้จนถึงทุกข์นั้นมาถึงแก่ตนเองตนเองต้องทุกข์อย่างยิ่งจนถึงใกล้จะตายหรือเกือบตายนั่นแหละ จึงจะได้สังเวทตั้งความเพียรทําให้แจ้งประมะสัจจะด้วยนามกายเห็นแท้งแต่งตลอดใดนปัญญาได้ดังนี้เพราะฉะนั้นแม้เป็นบุคคลที่ควรฝึกได้จนถึงที่เรียกว่าเป็นบุรุษอาชาไหใน เป็นคนฉลาดเป็นคนดีก็ยังมีแตกต่างกันดังนี้และก็ดังที่ได้มีจำแนกว่าอีกในหนึ่งดังกล่าวมาข้างตน้นคือเป็นอุคติตันยูวิปจิตตันยูและเป็นเนยะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่ง ได้มาศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็นับว่าเป็นผู้ที่ได้มีกุศลที่ได้ทำมาแล้วในอดีตในกำลังทำอยู่ในปัจจุบันก็พึงกระําตนให้เป็นปุริสธรรมะให้เป็นเวเนยะ เป็นบุรุษอาชาตในที่ดีของพระพุทธเจ้าต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จากแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันดสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั่นตั้งใจถึงพระองค์พรอมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสารณะ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 ทรงเป็นสาถีฝึกบุรุษคือบุคคลที่ควรฝึกไม่มียิ่งขึ้นไปกว่าได้แสดงมาแล้วสองครั้งแต่ยังไม่หมด อธิบายแม้โดยมีบาลีประพุทธภาสิตยกขึ้นสาธกจึงจะแสดงอธิบายต่อในวันนี้ด้วยยก พระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ในพระสูตรหนึ่งว่าทรงเป็นอนุตตรโอปุิสดัมมาสารถิสาริีฝึกบุรุษคือบุคคลที่ควรฝึกไม่มียิ่งขึ้นไปกว่า ได้ประธานพระพุทธาธิบายว่าช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกโคที่ควรฝึกอันบุคคลผู้ฝึกให้วิ่งไปย่อมวิ่งไป ในทิศทั้งหลายได้เพียงทิดเดียวคือในทิศ ต, ตะวันออกหรือทิศ ต, ตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้เท่านั้นแต่บุคคลที่ควรฝึกประถาคต พราหันต์สมาตพุทธเจา้าทรงฝึกให้แล่นไปย่อมแล่นไปได้ในทิศทั้งแปดดังนี้และก็ได้ประธานพระพุทธอธิบายว่าทิศทั้งแปดนั่น ก็คือวิโมก8อันได้แก่ข้อหนึ่งปฏิบัติคำสมาธิกำหนดรูปปณิมิตย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอก ข้อสองปฏิบัติทำสมาธิไม่กำหนดรูปปฏิมิตรในภายในเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกข้อสาม ปฏิบัติทมสมาธิน้อมไปว่างามข้อสีล่วงรูปสัญญาความกำหนดหมายว่ารูปดับปฏิฆะสัญญาความกำหนดหมาย สิ่งที่เป็นที่กระทบได้ก็คือรูปไม่ใส่ใจสัญญาคือความกำหนดหมายต่างๆเข้าถึงอารมณ์ว่าอากาศไม่มีที่สุด มันเรียกว่าอากาศาจัญญาจตนะข้อห้าล่วงอารมณ์ว่าอากาศไม่มีที่สุดเข้าถึงอารมณ์ว่าวิญญาณไม่มีที่สุดข้อหก ล่วงอารมณ์เมื่วิญญาณไม่มีที่สุดเข้าถึงอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีข้อเจ็ดล่วงอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีเข้าถึงอารมณ์ที่มีสัญญา ก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่และข้อแปดล่วงอารมณ์นั้นดับสัญญาเวทนาดังนี้นี่เป็นความในพระพุทธธิบายที่ตัดไว้ ว่าในสทงฝึกบุรุษคือบุคคลที่ควรฝึกให้เล่นไปในทิศทั้งแปดได้ในคราวเดียวก็คือในวิโมกทั้งแปดท่านได้อธิบายหมวดธรรมนี้ไว โดยความว่าคำวิโมกนั้นในที่นี้เป็นชื่อของสมาธิหรือฌานอันหมายถึงสมาธิที่แนบแน่นหรือสมาบัติก็หมายถึงการเข้าสมาธิที่แนบแน่น ซึ่งแปรได้ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นเครื่องพ้นจากธรรมะที่เป็นคาสิทธ์ทั้งหลายก็คือจากนิวรณกิเลสที่กัณฑจิตไว้ มีให้ได้สมาธิมีการมาฉันเป็นต้นและทำปัญญาให้อ่อนกําลังลงเหล่านี้เรียกว่าธรรมะที่เป็นข้าศึกข้อปฏิบัติที่ทำให้พ้นได้จากธรรมะที่เป็นข้าศึกดังนี้ ก็คือสมาธิดังกล่าวอีกอย่างหนึ่งแปลว่าน้อมไปด้วยดีคือเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้สมาธิดำเนินไปสะดวกไม่ขัดข้องที่เปรียบเหมือนอย่างว่า พารกน้อยที่นอนหลับอยู่บนตักของบิดาหรือมารดานอนสบายเพราะตักของมารดาหรือบิดานั้นนุ่มและก็เต็มใจที่จะให้ลูกน้อยนอนหลับ อยู่บนตักของตนเด็กที่นอนหลับนั้นจึงหลับอย่างสบายสมาธิที่เป็นไปสะดวกในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของสมาธิดังนี้เรียกว่าวิโมกซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติ ที่ได้ความสะดวกในการปฏิบัตินี้ได้สมาธิยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยสะดวกตั้งแต่อุปจารสมาธิสมาธิาธเขี่ยเขียดจนถึงอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นจนถึงฌานหรือสมาบัติ ดังกล่าวข้อปฏิบัติที่ทำให้พ้นด้วยดีจากธรรมะที่เป็นข้าศึกหรือว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้สมาธิดำเนินไปได้สะดวกที่รียกว่าน้อมไปเป็นไปได้สะดวก ตั้งแต่เบื้องตน้นยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนี้เรียกว่าวิโมกและวิโมกตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้นี้ข้อหนึ่งคือทมสมาธิกำหนดรูปปณิมิตคือเครื่องกำหนดหมายในรูป มีรูปเป็นอารมณ์ก็ได้กาสมาธิที่ทุกคนปฏิบัติกันอยู่เป็นพื้นเช่นกายคตาสติสติที่กำหนดลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจเข้าออกนั่น ก็เป็นรูปเมื่อกําหนดอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจก็เรียกว่าเป็นนิมิตของสมาธิคือเป็นเครื่องกําหนดของสมาธิเป็นเครื่องหมายของจิตสำหรับที่จะตั้งเป็นสมาธิแม่ กายกตาสติสติที่ไปในกายกำหนดผมขนยบฟันนำก็เป็นการกำหนดโรคปฏิมิตรแม้ในข้ออื่นเช่นกำหนดกระสิน